ความขึ้นลงของชีวิตนั้นเป็นสิ่งธรรมดาหรืออย่างน้อยขอให้เรามองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อเราจะได้สบายใจอยู่ได้ในทุกฐานะความสบายใจนั้นเป็นทรัพย์อันแท้จริงของมนุษย์ทรัพย์ยศสั้นเสริญนั้นเป็นสิ่งสมมติเกันขึ้นไม่ใช่สิ่งแท้จริงแต่ประการใดใครไขว่คว้าหาสิ่งเหล่านี้โดยคิดว่าจะให้ความสุขอันแท้จริงแล้ว ก็ต้องผิดหวังทุกรายไปความสงบต่างหากเป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขอันแท้จริงของมนุษย์ในหมู่โจรย่อมยกย่องสรรเสริญโจรที่ปล้นได้เก่งในหมู่นักมวยหรือคนชอบมวยย่อมนิยมยกย่องนักมวยที่ชคได้เก่งสามารถทําลายคู่ต่อสู้ให้แพ้พิการไปได้ทั้งโจรและนักมวยได้ชื่อเสียงและเกียรติในพวกของตนเพราะปัททุสร้ายผู้อื่น เกียรติและชื่อเสียงทำนองนี้เป็นที่รังเกียจของมัณฑิตผู้รักสงบและสันเสริญการไม่เบียดเบียนเหมือนการชนไก่กัดปลาและชนวัวซึ่งมาในนามของอะไรต่างๆสุดแล้วแต่จะอ้างแต่ที่แท้ก็คือการเบียดเบียนสัตว์เพื่อความสนุกเพลิดเพลินของคนเขาที่หาความสุขจากความทุกข์ของสัตว์อื่นมวยนั้นมาในรูปของกีฬา แต่ก็คือการยอมให้มนุษย์เบียดเบียนกันโดยเอาชื่อเสียงและสินจ้างรางวัลเป็นเครื่องล่อพ่อพูดเช่นนี้เหมือนเป็นคนทวนกระแสโลกและสอนให้ลูกเป็นเช่นนั้นด้วยแต่ลูกต้องไม่ลืมว่าพ่อกำลังพูดกับลูกเรื่องสัจธรรมซึ่งเมารู้แล้วเข้าใจแล้วย่อมนำไปสู่ความสงบที่แท้จริงไม่ใช่ความสนุกความเพลิดเพลิน อ, อันฉาบฉวยซึ่งคนส่วนมากหลงกันอยู่ สัจธรรมและเหตุผลอันแท้จริงย่อมเดินสวนทางกับมติมหาชนหรือสามัญสำนึกของมหาชนเพราะคนส่วนมากมองอะไรเพียงผิวเผินชาบชวยหาได้มองอะไรอย่างลึกซึ้งถึงแก่นของมันไม่โลกจึงจมอยู่ในห่วงทุกข์และสับสนวุ่นวายเพราะไม่รู้สัจธรรมโลกจึงฟูขึ้นเพราะลาบยศสรรเสริญสุข และฟุบลงเพราะเสื่อมลาบเสื่อมยศดินธาทุก์ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของโลกธรรมวันไหวสั่นคลอนเพราะโลกธรรมแต่สาวกของพระริยะย่อมสำเยกรู้ตามความเป็นจริงว่าโลกธรรมแปดไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดามันจึงครอบงำจิตของท่านไม่ได้ท่านวางเฉยต่อโลกธรรม นั่นเป็นอุเบกขาที่นำไปสู่ความสิ้นทุกอย่างแท้จริงจิตที่ไม่หวั่นไหวต่อโลกกระรมเป็นมงคลอันสูงสุดอย่างหนึ่งขอให้ลูกสนใจต่อเรื่องเหล่านี้ไว้บ้างเพราะจะได้ไม่หลงโลกและไม่ถูกเขี้ยวของโลกมันกัดเอาขอให้ลูกแน่ใจว่าสุขทุกข์ดีชั่วเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเกิดที่ใจของเราก่อน ใจเล่าก็กลับกรอกวอกแวกไม่ค่อยมั่นคงแน่นอนจึงทําให้เราเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเศร้าหมองเดี๋ยวผ่องแผ้วแต่ดูเหมือนว่าความทุกข์และความเศร้าหมองจะมีมากกว่าทั้งนี้เพราะคนส่วนมากไม่รู้จักการอบรมจิตให้รู้เท่าทันอารมณ์และวางเฉยต่ออารมณ์เสียบ้างปล่อยให้จิตรับอารมณ์ไม่มากและไม่รู้จักปล่อยวางดูดซับเอาอารมณ์ทุกอย่างไว้ แล้วไปหมักหมมอยู่ในจิตเหมือนรถหรือเรือที่บรรทุกของหนักเกินไปโดยไม่รู้จักทิ้งสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เสียบ้างทำให้อยู่ในสภาพโอเวอร์โหลดซึ่งถ้าเป็นเครื่องบินก็อันตรายมากอาจตกและตายกันหมดทั้งลำกรณีการฆ่าตัวตายทั้งครอบครัวเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ขาของคนที่ต้องใช้ยืนเดินก็เหมือนกันถ้ารับน้าหนักมากเกิน คือเจ้าของขาเป็นคนอ้วนเกินไปก็มักจะปวดเขา่าปวดขาได้ง่ายเพราะรับน้ำหนักเกินอยู่ตลอดเวลาข้อเข่าจะเสื่อมเร็วจิตของคนเราก็เหมือนกันถ้ารับเอาความทุกข์ความเศร้าหมองไว้มากก็จะเกิดสภาพโอเวอร์โหลดทางจิตขึ้นทำให้จิตกระวนกระวายไร้ความสุขสงบจึงควรมีอุบายทายเทสิ่งเหล่านั้นด้วยอุเบกขารม คือการวางเฉยต่ออารมณ์สุขทุกข์คือไม่รับอารมณ์เหล่านั้นไว้ถ้าจำเป็นต้องรับไว้ก็ให้เป็นการชั่วคราวแล้วรีบเอาลงเสียความสุขเป็นสภาพเบากว่าความทุกข์เหมือนการบรรทุกสาลีส่วนความทุกข์เหมือนการบรรทุกหินสาลีก็เถอะถ้ามากเข้าก็หนักเหมือนกันทางที่ดีกว่าคือไม่บรรทุกอะไรเลยปล่อยจิตให้ว่างไม่สุขไม่ทุกข์ สุขหรือพอใจก็ฟุ้งซ่านไปอย่างหนึ่งทุกก็ฟุ้งซ่านไปอย่างหนึ่งตรงกลางระหว่างสุขและทุกนั่นแหละดีที่สุดนั่นก็คืออุเบกขาานั่นเองการเจริญสติปัฏฐานท่านจึงแสดงเป้าหมายไว้ว่าเพื่อ น, นำออกเสียซึ่งอภิชาคือความอยากได้ความพอใจและโทมานัตคือความเสียใจในเรื่องการกินนั้นขอให้ลูกอย่าบรรทุกให้หนักท้องเกินไป จะทำให้อื่นอัดเกียดคร้านและไม่มีความสุขมีโทษมากมายตามมาภายหลังขณะที่ร่างกายสบายจริงๆก็คือตอนที่ไม่อิ่มและไม่หิวอาหารการกินเป็นเรื่องเทมนุษย์เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ขอให้กินแต่พอดีอาหารค่อยๆ ย, ย่อยรอเลี้ยงอายุให้ยืนนานแต่อายุยืนนั้นจะมีคุณก็ต่อเมื่อมีพรานาไมาดี ปลาสจากพลานาใหม่และทำอะไรไม่ได้เสียแล้วอายุยืนไปก็ไร้ประโยชน์เท่าที่พูดมาทั้งหมดนี้ถ้าลูกทำตามได้บ้างก็ไม่เสียแรงที่พ่อได้พยายามเขียนมาขอให้ลูกดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางแห่งความพอดีจะพบแต่ความดีงามเสมอด้วยความรักและไว้วางใจพ่อ